ท่านุท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายธรรมในวันนี้จะบรรยายในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาและทรรนสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืรต่อไปวันนี้จะได้บรรยายในหัวข้อว่าธรรมที่บรรญชิตควรพิจารณาเนืองๆสิทธิประการหรือถ้าจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าอะพินหาปัจเจเวขณะ คือหมายถึงว่าทำรรที่อเราทุกคนควรพิจารณาอยู่เป็นนิดหรือว่าเนืองนิดประการแรกก็คื อ, อบรรปชิตควรพิจารณาเนืองเนืองว่าบัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วอาการกิริยาใดๆของสมณนะะเราต้องอทํากิริยานั้นๆสองบรรปชิตควรพิจารณาเนืองเืองว่า อาความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทําตัวให้เขาเลี้ยงง่ายสามบันทึกควรพิจารณาเนืองๆว่าอาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราต้องทําให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้เซบรนบชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยศีล ได้หรือไม่ข้อห้าบรระชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าผู้รู้ใครทวนแล้วติเตียนเราได้โดยศีลหรือไม่ข้อหกบรระชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าเราจะต้องชัดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งสิน้นข้อเจ็ดเราควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของของตนเราทําดีได้ดีเราทําชั่วได้ชั่วข้อแปด บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ข้อเก้าบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าเรายินดีในเสนาสนัะอันสำหรัดหรือไม่ข้อสิบบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขินในเวลาที่เพื่อนบรรพชิตถามในภายหลัง คุณธรรมเหล่านี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ า, าทัะธรรมแปลว่าทำ ส, สิบประการหรือจะแปลว่าอาปินหะอาปินหะปัจเจเวกณ ะ, ะทัศธรรมคือทำสิบประการที่ควรพิจารณาอยู่เนืองๆพระผู้มีพระภาคทรงประทานแก่พิสุทั้งหลายเพื่อให้พิจารณาคํานึงถึงเพศอาชีพจัญญามารยาทกฎของธรรมดา การสถานที่คุณวิเศษเนืงเนืองเป็นอุบายเตือนใจให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามสมควรแก่ภาวะของตนอย่างในข้อที่หนึ่งที่บอกว่าบรรณชิตควรพิจารณาอยู่เนืองเนืองว่าบัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤๅษีแล้วอาการกิริยาใดๆของสมณะเราต้องทํากิริยานั้นๆอันนี้ก็เป็นเครื่องเตือนให้เรามีสมณะสัญญา มีความนึกถึงว่าตนนั้นมีเพศแตกต่างจากคริหัสแล้วเราควรรักษาสมณะสาโรกของตนไว้กระทำให้เป็นที่น่าเคารพกราบไหวบูชาของเขายาประพฤติโลเลให้เขาดูถูกดูหมิ่นได้ข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าหากว่าถ้าเราไม่ไม่มีความพอใจในความเป็นสมณะ ไม่มีความพอใจในความเป็นพระแน่นอนที่สุดการกระทําหรือการปฏิบัติของสมณะสารูปทุกสิ่งทุกอย่างก็ย่อมจะผิด แ, แตกต่างไปหรืออาจจะรู้โดยเท่าไม่ถึงการหรือว่าอาจจะรู้โดยความประมาทหรือประมาทแล้วยังขืนทําอะไรทํานอง น, นี้รู้แล้วผืนทําไม่รู้แล้วทํามันก็ผิดทางนั้นฉะนั้นอันนี้แหละเราจะต้องใไขครวญพิจารณาให้รอบครอบนะให้รอบครอบว่าเรามี ภาวะเป็นอย่างไรนะแล้วก็ประพฤติตัวให้เหมาะสมกับที่เรามีเราเป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งอคําว่าสมณะก็แปลว่าผู้สงบคําว่าบรงชิตก็แปลว่าผู้ละแล้วผู้ตัดแล้วผู้สละแล้วอย่างภารวาะเขาก็ทําคําว่าพิสุก็แปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏสงสารนี่เรียกว่าแต่และอย่างนั้นมันก็มีความหมายนะมีความหมาย ฉะนั้นในในเมื่อเราเป็นพระสงฆ์องค์เลนแน่นอนที่สุดเราก็มีทุกสิ่งทุกอย่างแตกต่างจากกรหัตไปแล้วถ้าหากว่าเรามีการประพฤติทางกายทางวาจาและจิตใจเหมือนกับชาวบ้านอันนี้แน่นอนที่สุดก็จะทําให้เขาเห็นว่าเรานั้นไม่มีความสําคัญเหนืออะไรกับเขาเนี่ยทให้เขาขาดความศรัทธาความเชื่อขาดประสาทะความเรื่องใสขาดความเพียรที่จะประกอบคุณงามความดี มีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นจึงบอกว่าในข้อแรกนี่สำคัญมากถ้าหากว่าในข้อแรกเรารักษาสมณะสารูปของตนไว้พูดก็ด้วยความสำรวมทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสำรวมจุดสำคัญก็คือว่าให้เราสำรวมในพระปาฏิโมกข์เว้นข้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามทาตามข้อที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต อย่างนี้ก็สบายใจนะอย่างนี้ก็จะสบายใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายก็จะทำให้เรานั้นเกิดความภาคภูมิใจญาติโยมก็เกิดความภาคภูมิใจนะประโยชน์ก็เกิดขึ้นโดยกันทั้งสองฝ่ายแน่นอนที่สุดระหว่างญาติโยมกับพระนั้นก็จะต้องอาศัยซึ่งกันและกันถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันศาสนาของเราจึงจะเ จ, จริญนะราการที่สองเป็นเครื่อง ประการที่สองที่บอกว่าบัณชิตควรพิจารณาอยู่เนืองๆว่าความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายนะควรทาตัวให้เขาเลี้ยงง่ายคาว่าการทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายข้อนี้สำคัญมากนึกว่าให้นึกถึงหลักครั้งหนึ่งพระเทวทัตได้เคยไปขอให้พ ร, รใหพระพุทธองค์ว่ายพระพิสูจน์นยาฉันเนื้อนะอยาฉันเนื้อ แล้วก็ให้อยู่ป่าเป็นมัดนะให้อยู่ป่าเป็นมัดอะไรทํานองนี้แต่ปรากฏว่าพระพุทธองค์นั้นก็ทรงนิ่งเฉยเสียนะทรงนิ่งเฉยเสียอย่างอื่นนั้นพระพุทธองค์ทรงอนุญาตนะแต่ว่าอย่างจะมาขอให้ว่าพระนั้นเว้นจากการฉันเนื้อนั้นพระพุทธองค์ก็นิ่งเสียเพราะท่านบอกว่าเป็นพระนั้นต้องเป็นผู้เลี้ยงง่ายพระนั้นอาศัยชาวบ้านเขาเลี้ยงชีวิตฉะนั้นต้องเป็นผู้เลี้ยงง่ายอย่าทําตนให้ เป็นคนเลียงยากจะลำบากจะเดือดร้อนนะจะเดือดร้อนฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเป็นเครื่องเตือนให้รู้ว่าตอนมีอาชีพเนื่องด้วยผู้อื่นนะอย่ากระทาตนให้เป็นที่รังเกียจของผู้อื่นเขาให้อย่างไรก็ยินดีอย่างนั้นทั้งนี้ต้องหมายถึงว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ชอบทำนะเป็นสิ่งที่ชอบทำเราควรจะพอใจถ้ามิฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่พอใจเราก็มีความอยากต่อไปอีกก็กลายเป็นว่าต้องขอ ชาวบ้านเขาเหนียดเบียนชาวบ้านเขานะก็จะทําให้เป็นที่ดูหมิ่นดูแผลนหรือติดฉินนินทาได้เกิดความครหาได้ฉะนั้นข้อนี้เราจะต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจนรู้จักยับยั้งชั่งใจแในพระพุทธองค์ก็ในบัญญัติเกี่ยวกับวินัยเรื่องการขอนอะไรควรขอไม่ควรขออะไรควรปรานาไม่ควรปรานะควรเช่นไรควรปรานาควรเช่นไรไม่ควรปรารนานี่ ทั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นการป้องกันที่เราจะลํำเลิดหรือว่ากระทาเป็นการเบียดเบียนชาวบ้านเนี่ยเบียดเบียนญาติโยมเนี่ยอันนี้เราต้องรู้จักบันยะมันยังจริงๆแล้วก็ถ้าหากว่าเรายินดีในความเป็นสมัญนัสสารูป อ, อินดีตามที่ตนมีตนได้แน่นอนที่สุดทั้งสองฝ่ายก็สะดวกสบายนะสะดวกสบายนี่เป็นข้อที่สองข้อที่สามที่บอกว่า มันปรชิตกวรพิจารณาเนืองๆว่าอาการกายวาจายอย่างอื่นที่เราจะต้องทําให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่แต่เพียงเท่านี้อันนี้ก็หมายความว่าผู้ยังไม่สำเร็จกิจแห่งพรหมจรรย์ให้เลึกถึงตนว่ายังจะต้องทําความดียิ่งๆขึ้นไปอีกจนกว่าถึงมีมุติอันเป็นคุณที่สุดแห่งพรหมจรรย์เช่นมีสิ่งแล้วก็อย่าพอใจเพียงเท่านั้น ควรรีบเร่งบำเพ็ญสมาธิและปัญญาเมื่อได้ปัญญาชั้นต่ำๆแล้วไม่ควรพอใจแต่เพียงเท่านั้นควรบำเพ็ญปัญญาชั้นสูงขึ้นไปโดยลำดับจนถึงพระอรหันต์เป็นที่สุดอันนี้ก็หมายความว่าคือบางคนก็ติดนะติดที่อยู่ติดภพติดชาติมี ว่ามีศีลอยู่ศีลห้าก็พอใจแค่ศีลห้ามีศีลแปดก็พอใจศีลแปดมีศีลสิบก็พอใจแค่นั้นฉะนั้นต้องรูกว่าของดียังมีอยู่ข้างหน้าอีกมากนะหรือว่าเรามีพระสงฆ์พระสงฆ์ก็มีศีลสองร้อยเจ็ดก็พอใจแค่นั้นจริงๆแล้วก็ถ้าหากว่าเราปฏิบัติอให้สูงขึ้นไปก็มีอีกนะอริยการตรศีลศีลของพระอริยเจ้าอะไรเงี้ยมันมีสูงขึ้นไปอีกฉะนั้นเราจะพึ่งพอใจนะอย่าพึ่งพอใจแค่นั้น และกิจที่เราจะปึงทำให้ถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์นั้นยังมีอีกมากนะที่เรากระทำกันทุกวันนี้มันเป็นเบื้องต้นนะเป็นเบื้องต้นเป็นตัวเปลือกแค่นั้นเองพอเจาะไปได้นิดนิดหน่อยๆเราก็เกิดความท้อแท้นะเกิดความท้อถอยซะแล้วฉะนั้นกิจถึงที่สุดก็คือต้องถึงวินุตจะถึงวิมุตได้นั้นก็ต้องเกิดนิพิธานะมีนิพิทายานก็คือเบื่อหน่ายในสังขาร โดยพิจารณาด้วยปัญญาว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์ทำทั้งหลายไม่มีตัวไม่มีตนเมืม่อพิจารณาอย่างนี้ก็จะทําทให้เกิดความเบื่อหน่ายในสังขารพิจารณาอย่างนี้แหละเป็นทางแห่งความวามบริสุทธิ์เป็นทางที่จะถึงมีมุตได้เมื่อเราเกิดนิพพิทายานเบื่อหน่ายในสังขารเต็มไปด้วยรังแห่งโรคเต็มไปด้วยของไม่สะอาดนะมีดีเสเลตหนองเลือดงูดโคดได้ทุกสียงทุกอย่าง ดูแลมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นแก่นสารสาระที่เราจะเอามายึดถือเป็นที่พึ่งทเทอลึกได้ฉะนั้นเมื่อเราพิจารณามองกายยะคตาสติก็ดีเจริญอรุภาณก็ดีเราก็จะได้สัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่สวยไม่งามนะเราก็จะพิจารณาว่าร่างกายนั้นเป็นภาชนะที่ใส่ของไม่สะอาดเป็นไปไดรังแห่งโรคต่างๆพิจารณาอย่างนี้ก็เกิดความเบื่อหน่ายในสังขารเวลาคก็จะเกิดขึ้นเนะวลาคก็เกิดขึ้น แน่นอนที่สุดคนเราเมื่อหมดราคะก็สิ้นความกำหนัดนะหมดราคะก็สิ้นความกำหนัดเมื่อสิ้นความกำหนัดก็ย่อมถึงวิมุตติหลุดพ้นนะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสต่างๆอันนี้แหละเรียกว่าเป็นข้อที่สามมาในข้อที่สี่ก็คือเป็นที่บอกว่าบรรญัติคิดคพิจารณาอยู่เนืองๆว่าตัวของเราเองติเตียนติเตียน อตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่ตัวของเราเองจติเตเสียนศีลของเราเองได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจให้ใหมันตรวตราศีลของตนบริสุทธิ์หมดจดหรื อ, อยังมีด่างพร้อยสศร้าหมองอยู่เมื่อตัวตราแล้วเห็นว่าบริสุทธิ์ดีก็เกิดความปราโมทย์ปิติยินดีถ้ายังเห็นเศร้าหมองอยู่ก็จะได้การชรําระสสารแก้ไขเสียให้บริสุทธิ์คืออันนี้ขอให้เรานั้นจงพยายามมองดูตัวเองให้มากเตือนตัวเองให้มาก ตนเตนือนตนไม่ได้ใครจะเตือนออื ม, อมฉะนั้นข้อนี้สําคัญคือการที่เราจะเตือนคนอื่นนั้นเราควรจะเตือนตัวเองก่อนอและการที่เรามองดูผู้อื่นนั้นก็คือให้เรามองดูภายในของตัวเองบ้างเราก็เป็นเหมือนอย่างนั้นเหมือนกันให้เราดูว่าเรานั้นมีความบริสุทธิ์อย่างไรมีความไม่บริสุทธิ์อย่างไรก็าหาทางปรับปรุงแก้ไขให้มันดียิ่ ง, งขึ้นอันนี้แหละจะเป็นบอกเกิดอแห่งความบริสุทธิ์หมดจดแก่ตัวเรา และเกิดความศรัทธาภาษาแท้แก่ท่านสาธุชนทั้งหลายผู้พบเห็นหรือผู้ยึดถือเอาเป็นที่พิ่งที่ระลึกต่อไปและในข้อที่ห้าที่บอกว่าบรณชิตควรพิจนาเนืองๆว่าผู้รู้ใครควนแล้วติเตียนเราได้โดยศีลหรือไม่นะติเตียนเราได้โดยศีลหรือไม่ธรรมดาย่อมเป็นธรรมดาของปุถุชนจะจัดเป็นผู้มีความเห็นถูกธรรมดา เห็น ถ, ถูกเสมอไปไม่ได้บางทีก็เห็นผิดเดียวก็เยอะแต่ว่าตัวเองนั้นรู้ดีว่าตัวเองผิดหรือไม่ผิดนะรู้ดีว่าตัวเองผิดหรือไม่ผิดแม้สุภาษิตก็มีว่าโทษของผู้อื่นนั้นเห็นง่ายฝ่ายโทษของตนนั้นเห็นยากเพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคกินได้ตรัสสอนให้พิสูจนาณาข้อห้าเพื่อให้ผู้รู้ใครครวรดูถึงความบกพร่องของตนอซึ่งนี้รับ อยากจะเล็งเห็นแล้วจากอได้สดัตย์คาแนะนําตักเตือนจากท่านเป็นเหตุให้เกิดมีสติแล้วแก้ไขในส่วนที่บกพร่องให้ดีต่อไปนะให้ดีต่อไปอันนี้เป็นสิ่งสําคัญคนอื่นก็ติเตืยนได้นะตัวเราก็ติตัวเราเองได้นะถ้าเรียงตัวเราติตัวเองเราได้นะ่ะดีที่สุดนะดีที่สุดนะแล้วคนเราก็อย่างนั้นมักจะไปมองเห็นแต่คนอื่นนะเห็นคนอื่นท่านผิดไปหมด เขามีโทษน้อยก็บอกมีโทษมากนะเขามีโทษน้อยก็ว่ามีโทษมากเขามีโทษมากก็ยิ่งใส่ร้ายป้ายสีกันยกใหญ่เลยนะนี่แหละเพราะเราไม่ได้มองดูตัวเองฉะนั้นเขาจึงบอกว่าไอ้โทษของอื่นเราเห็นง่ายนะโทษของตนเราเห็นยากนะหรือเหมือนอย่างคําไทยๆที่บอกว่าโทษคนอื่นเรามองเห็นเท่าภูเขาโทษของเราเรามองเห็นเท่าเส้นขนตอดคนอื่นเราเหม็นเบื่อจนเหลือทน ตดของตอนถึงเหม็นไม่เป็นไรเนี่ยคนเรามันมันมกจะเข้าข้างตัวเองนะเข้าข้างตัวเองคนเราเราต้องเข้าข้างตัวเองก็คือเป็นคนเห็นแก่ตัวนะไม่รู้จักข้อบกพร่องของตัวนะทำอะไรก็ตัวเองนั้นต้องเหนือนกว่าคนอื่นนะเอาเปรียบคนอื่นอย่างนี้ก็มีแต่ทุมีแต่โทษนะไม่มีโอกาส matrix, ที่จะกลับเนื้อกลับตัวให้ดีได้นะใครเตืเอนก็ย่อมจะไม่เชื่อฟังนะเพราะถือว่าตัวเองนั้นดีกว่าเหนือกว่า บริสุทธิ์กว่าอย่างนี้ใช้ไม่ได้นั่นแหละคือคนที่เลวกว่านั่นเองมาในข้อที่หกที่บอกว่ามันบัญชีษควรพิจารณาเนืองๆว่าเราจะต้องแพ้ทราบจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น mm. อันนี้ก็หมายความว่าเป็นเครื่องเตือนบัญชีษให้เลิกถอนความผูกพันรักใคร่คร่ำครวนห่วงใยในบุคคลแนละสิ่งของอซึ่งเป็นที่รักใคร่ชอบใจ อันเป็นเครื่องสกัดกั้นบงเพ็คุณงามความดีอื่นๆเสียและจัดเป็นเหตุบันเทาความโทมนัสเสียใจได้ในเมื่อประสบอปียะวิปโยคทุกนะก็หมายถึงว่าในเมื่อประสบกับอสิ่งที่รักนะหรือว่าสิ่งที่ไม่รักก็แล้วแต่มันย่อมเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะแต่ว่าทุกวันนี้บางทีเราก็คิดตรงกันข้ามน ะ, นะคือเราบางครั้งก็ไปยึดมั่นถือมั่นเสียจนเกินไปติดในบุคคลเกินไปนะ หรือว่าไปติดในวัตถุสิ่งของในการติดในบุคคลมันก็แปลกนะคือยิ่งเราเห็นว่าเขายิ่งมียศมีตาแหน่งนะมีฐานะดีเราก็มักจะไปเกี่ยวเกาะเอาใจไปเกี่ยวเกาะกับคนนั้นไปเอาใจกับคนนั้นไปประจบกับคนนั้นมันก็กลายเป็นเสียสมณสารูปไปนะเสียความเป็นพระไปดูแล้วมันก็ไม่เหมาะไม่สมไม่อกิยาอย่างนี้บรณชิตไม่กวรประพฤติไม่ควรกรนะทําำไม่กวนกระทํา ควรวางใจให้เสมอกันจะเป็นคนยากคนจนคนมั่งคนมีเอาความดีเป็นที่ตั้งเราก็ตั้งใจอบรมสั่งสอนเหมือนกันนะถ้าหากว่าเราไปคบเอาบุคคลมาเป็นใหญ่แล้วแน่นอนที่สุดเราก็จะตกอยู่ภายใต้อำนาจของบุคคลนั้นก็กลายเป็นว่าเรานี้ประจบตระกูลหรือเข้าปะทุจะรายตระกูลของตัวเรานะของตัวเราทําให้คนอื่นก็ติเตียนไดนะ้ว่าพระศาสนายังมีอย่างนี้อ ง, องนะฉะนั้นข้อนี้จึงเป็นสิ่งสาคัญ อย่าไปสะสมอะไรมันมากอย่าไปหลงมากนะจริงอยู่ละคนไหนเขามีรถมีเงินมีทองมันก็อะไรสะดวกหน่อยแต่เราก็อย่าไปหลงนะอย่าไปหลงเราก็คิดว่าถึงเราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้หือไม่ไปรถเขารถคนอื่นก็ไปได้นะถึงไม่มีรถเขาไม่มีรถหรือเราเดินไปก็ได้นะไม่เห็นแปลกอะไรนะไม่มีอาหารที่เขาให้ทานไม่มีขนมที่เขาให้เราฉันเราก็อยู่ได้ของคนอื่นก็มีบรณชิตเนี่ยต้องไม่ติด นะต้องไม่ติดที่อยู่และไ ม, ไม่ไม่อันไล่นะเที่ยวบินาบาทไปโดยไม่มีความอันไล่นะโยมบ้านเหนือไม่ใส่โยมบ้านใต้ก็ใส่โยมแม่ใต้ไม่ใส่โยมบ้านตะวันตกก็ใส่โยมบ้านตะวันตกไม่ใส่โยมบ้านตะวันออกก็ใส่ต้องมีเข้าบ้านหนึ่งนั่นแหละฉะนั้นไม่ต้องไปกังวล น, นะอย่าไปกังวล น, นี่ก็เป็นข้อที่หกอาส่วนในข้อที่เจ็ดที่บอกว่าบัญญัติตควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของของตน เราทำดีจักได้ดีเราทำทั่วจักได้ชั่วนะอันนี้ก็แน่นอนนะว่าเรานั้นถือว่าดาเนินชีวิตด้วยความถูกต้องเป็นดีที่สุดเพราะว่าการที่เราทำดี <c oughs> ด้วยกายวาจาใจก็ได้ชื่อว่าเรานั้นปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราทาชั่วโดวยกายวาจาใจก็จะได้ชื่อว่าเรานั้น อาประพฤติม่ดีเป็นการย่ำยีพระพุทธศาสนาเป็นการทําชั่วโดยกายวาจาใจอันนำมาซึ่งการติชินนินทาอันนำมาซึ่งการครหานินทาทั้งเป็นส่วนตัวและวงตระกูลอตลอดจนกระทั่งเป็นความเศร้าหมองกับภาษาศาสนาฉะนั้นขอให้เราทั้งหมดจงนึกเสมอว่าเรานั้นมีกรรมเป็นของของตัวมีกรรมเป็นของของตน ตนทำดีก็ต้องได้ดีตนทำชั่วก็ต้องได้ชั่วอ่าตนทำกรรมอย่างไรไว้ก็ต้องได้รับกรรมอย่างนั้นไม่ใช่คนอื่นทำแล้วเราจะไม่ได้รับหรือว่าเราทำแล้วคนอื่นได้รับไม่ใช่อย่างนั้นเอ่าใครทำใครได้ใครกินข้าวเองคนนั้นก็อิ่มเองใครไม่กินคนนั้นก็ไม่อิ่มเองอันนี้มันเป็นหลักความจริงอยู่แล้วนะมันเป็นหลักความจริงฉะนั้นขอให้ให้เราทุกคนได้ทำความเข้าใจยอย่างนี้ก็จะสามารถที่จะบรรเทาอ่า ทำให้เรานั้นไม่หลงไหลในการดําเนินชีวิตไม่มัวเมาประมาทในการดําเนินชีวิตโดยพิจารณาให้เป็นเครื่องเตือนให้รู้ว่าเราปล่อยให้อายุชีวิตหมดเปลืองไปอหมดเปลืองไปอขอทานโทษเป็นเครื่องเตือนให้เรานั้นเลือกแต่ทําแต่กรรมดีที่สมควรแก่ภาวะของตนหรือเป็นอุบายบําบัดความโทมนัสเสียใจน้อยใจ ในเมื่อได้รับความไม่เสมอหน้ากับผู้อื่นเป็นต้นเพราะตอนทราบผลของกรรมโดยประจักษ์อยู่แล้วว่าใครทําดีก็ต้องได้ดีใครทําชั่วก็ต้องได้ชั่วเราอย่าไปท้อใจถ้าเมื่อเราคิดว่าเราทําดีแล้วมันไม่ได้ดีนะอย่าไปคิดท้อใจการทําดีนั้นนอกจากจะทําแล้วไม่เบียดเบียนตัวเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่นวินยูชนรับรองว่าดีนั่นแหละการทําดีและการทําดีนั้นต้องทำให ต้องทำบ่อยๆนะต้องทำบ่อยๆไม่ใช่ทำปีหนึ่งหรือทำเดือนหนึ่งก็อยู่ไปครั้งหนึ่งอย่างนั้นมันก็ทำดีไม่ติดต่อให้ความโรคความโกรธ ค, ความหลงเรื่องอกุศลกรรมอุปสรรคต่างๆมันก็ย่อมเข้ามาขัดขวางได้เพราะมันมีช่องว่างนะมันมีช่องว่างมีโอกาสฉะนั้นเราจะต้องทำติดต่อขัดบายให้อกุศลธรรมเข้ามาไม่ได้เข้ามาขั้นไม่ได้อย่างนี้แหละเราก็จะสบายนะอย่างนี้เราจะสบาย ฉะนั้นขอให้เราทําอะไรก็ให้เป็นไปติดต่อกันนะเป็นไปติดต่อกันอย่ามัวผลัดวันประกันพรุ่งนะอย่างนี้ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญนะมีแต่ความสุขความเจริญบางแล้วก็บางครั้งเราก็เกิดความน้อยเนื้อต่าใจกว่าผู้อื่นว่าทําดีมาคู่กันเขาได้ยศสูงกว่าทําดีมาคู่กันเขาได้เงินเดือนกว่าทําดีมาคู่กันแต่เขาทำรวยกว่าเอาเขามีบ้านอยู่ก็อย่าไป น, น้อยใจ อย่าไปน้อยใจอย่าไปนึกว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปอย่าไปนึกอย่างนั้นต้องนึกว่าการทำดีได้ดีนั้นมีแน่ขอเพียงแต่มันทำความดีไว้ที่ทำชั่วได้ดีมีถมไปไม่มีใครจีรังพังทุกคนนี่เป็นข้อที่เจ็ดข้อที่แปดให้เราพิจารณาอยู่ว่าบรนปจิตกพิจนาเนืองๆว่าวันและคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทาอะไรอยู่ อันนี้ก็หมายความว่าเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจให้เรารู้ว่าเรานั้นไม่ควรปล่อยให้อายุและชีวิตของเราหมดเปลืองไปตามวันและคืน เ, เปล่าๆหรือว่าเราได้ทําประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นอะไรไปบ้างเมื่อยังไม่ได้ทําก็ให้รีบทำเสียเน่นก็จะเป็นประโยชน์อตามสมควรแก่การเวลาข้อนี้สําคัญมากมีเป็นพุทธภาษิตไว้ว่า อจเจนติการลาตะรยันติรติโยวโยคุนาวโยคุณาอนุปุกพังวโยคุณาอนุปุกพังจะหันติแปลว่าวันและคืนล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่นวันและคืนล่วงไปนะการย่อมล่วงไปราเตีย่อมผ่านไปอบัดนี้ท่านทําอะไรอยู่นี่อวันและคืนย่อมล่วงไปราเตีก็ผ่านไปชีวิตแห่งวัยก็ล่วงไปเป็นลําดับบัดนี้เราทําอะไรอยู่ อันนี้ขอให้ท่านในพิจารณาให้ดีว่าคนเราทุกคนนั้นน่ะมันหมดไปตามการเวลาหมดไปตามการเวลาวันหนึ่งน่ะมันหมดหมดไปนั้นมันก็ยังกลับมาใหม่ได้มาเป็นวันจันทร์วันอังคารวันอาทิตย์อีกแต่ว่าคนเราเมื่อหมดไปแล้วนั้นมันไม่กล We ับมาปีนี้หมดไปความแก่มันก็แก่ไปเรื่อยๆนะการเวลามันผ่านไปมันไม่ได้ผ่านไปแต่การเวลาเท่านั้นมันเอาอายุของคนเราเอาอายุของสัตว์ไปด้วยว่าแก่ไปปีแล้วนะเนี่ยมันกินอายุของคนเราไปด้วย นะฉะนั้นเรื่องพระการนี่จึงเป็นสิ่งสาคัญนะเรื่องเป็นสิ่งสำคัญมากฉะนั้นขอให้เราทุกคนนั้นจงนึกถึงเรื่องการเวลายาพระประโยชน์ของตนพระประโยชน์ของบุคคลอื่นเราควรจะรีบสร้างคนงามความดีแข่งกับเวลาเหมือนกับปิศนาทำบทหนึ่งว่ามียักษ์ตนหนึ่งนามีตาสองข้างข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งริบรีมีฟันไม่มากปากล้าสิบสองสี่ กินสัตว์ทั่วพื้นปฐพีสัตว์ตนนี้ชื่อว่าอะไรนี่ขอให้นักเรียนนักศึกษาและ ท, าท่านผู้ฟังทั้งหลายลองเอาไปคิดดูว่ามียักษ์ตนหนึ่งนามีตาสองข้างนะข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งมิบหรี่มีฟันไม่มากปากละสิบสองซี่กินสัตว์ทั่วพื้นปฐพีสัตว์ตนนี้อชื่อว่าพระกาฬนะก็คือการเวลานั่นเองอวันหนึ่งเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่นะ มันมีข้างขึ้นกับข้างแรม็มข้างขึ้นกับข้างแรมข้างหนึ่งถาวางข้างหนึ่งเลดีก็คือข้างขึ้นข้างแรมมีมีฟันไม่มากปากละสิบสองซี่ก็คื อ, อรเรียกว่าปีหนึ่งมีสิบสองเดือนนะปีหนึ่งมีสิบสองเดือนแล้วก็กินสัตว์ทั่วพื้นปัตตภีสัตว์ตัวนี้ก็คือกาลกาลเวลานี่แหละมันกินเราให้หมดไปกลืนให้หมดไปฮะ จากหนึ่งปีสองปีสามปีติดปีจนไว้จนหกติดเจ็ดติดแปดติดเก้าติดจนถึงร้อยก็หมดไปฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงทํางานแข่งกับเวลาอัจเชว่ากิจจมาตับตังโกนชันยามรานางังสเวพึงรีบทําความเพียรตั้งแต่วันนี้ใครจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เล่านี่เราพิจารณาอย่างนี้แล้วก็รีบขวนขวายเสียอันนี้แหละเป็นเครื่องเตือนจิตสจิตใจสําหรับบันบัชิตผู้ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาไม่ควรทําเวลาให้เปล่าประโยชน์ <c oughs> มาในข้ออที่เก้านะมาในข้อที่เก้าก็คืออ่านะให้เราบรรนทิกควรพิจนาเนือ ง, งว่าเรายินดีในที่อันสงัดงานะหรือไม่นะ่าคล้ายๆว่าถามตัวเองว่าที่เราประพฤติอยู่ทุกวันเนี้เราพอใจในเสนานสนะสงัดหรือไม่นะ่าถ้ายังไม่พอใจก็วควรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะควรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพราะาเป็นเครื่องเตือมใจให้เราเน้นลีกออกจากหมู่นะ ยินดีในเสนนาสนะอันสงัดเป็นเหตุรักษาใจไม่ให้ฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆอการที่เราได้เปลีกตัวออกไปนั้นก็เพื่อเป็นการที่จะได้มีเวลาท่องบนสาธยายพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยแล้วยิ่งไปกว่านั้นก็จะเป็นอุบายทําให้เกิดกายวิเวกก็คือความสงบกายเมื่องสงบกายแล้วก็กลายเป็นอจิตวิเวกก็คือสงบจิต นะเมื่อจิตมีเวกแล้วก็กลายเป็นว่าอุปธิมีเวกก็กลายเป็นสมบสงัดจากกิเลสเนะี่ยมันก็จะมีแต่ความสุขความสบายถ้าตราบได้เรายังมีการคลกเกลียกเพื่อนฝูงก็ทําให้เกิดปัญหาความทะยานอยากในโน้นในนีอยู่ร่ำไปและเป็นเหตุให้เกิดเบื่อหน่ายไม่มีการศึกษ า, าเรียนปล่อยเวลาให้ว่างเปล่าประโยชน์นะนี่เป็นข้อที่เก้าส่วนข้อที่สิบนั้นก็คือว่าบรนบชิตควณพิจารณาหนึ่งเมืองว่าคุณพิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ จะให้เราเป็นผู้เมเกอร์เขินในเวลาที่เพื่อนบัรวชิตาถามในภายหลังหรืออันนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจให้เกิดความอุสาหะพยายามบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อก้าวไปสู่คุณวิเศษเรื่องสูงคุณวิเศษนั้นก็ในชานบ้างวิโมกข์บ้างสมาธิบ้างสมาวัฏบ้างและการละ ก, กิเลส ข, ขาดลอยเอกเทศบ้างได้มรรคได้ผลบ้างตั้งแต่สกทาตั้งแต่โซดาปฏิมาโซดา ปฏิผลสกะทาคามีมรักษะทาคามีผลานาคามีมรักอานาคามีผลนราตมรักษานาตผลนี่ถ้าหากว่าเราพิจารณาอย่างนี้แน่นอนที่สุดเราก็จะถึงซึ่งมิมุตได้จะถึงซึ่งมิมุตได้เอาละเมื่อได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องมันประชิดควรพิจารณานเนืองในหลักสิบประการมาก็พอสมควรกับเวลาขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพร วันนี้จะได้บรรยายในเรื่องนาถะกระนัตธรรมสนะิทธิการคําว่านาถะกระธรรมก็คือว่าทำที่ทําที่พึ่งนะทำที่ทําที่พึ่งก็หมายความว่าถ้าคนมีธรรมสิประการนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นคนมีที่พึ่งอย่างประเสริฐนะอย่างประเสริฐนาถะกระนัตธรรมมีอะไรบ้าง หนึ่งศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยสองพาหุสั จ, จความเป็นผู้ได้สดับปรับฟังมากสามกัลยาณมิตตาความเป็นผู้มีเพื่อนดีงามสี่โสวจัจจตาความเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายห้ากิงกรณีเยสุทัศตาความขยันเอาใจใส่ในกิจธุระของเพื่อนปิสุและสามเณร หกธรรมกามตาความใคร่ในธรรมที่ชอบเจ็ดวิริยะเพียรเพื่อจะละความชั่วประพฤตความดีแปสัมโดดินดีด้วยผ้านุ่งผ้าหม่มอาหารที่นอนและที่นั่งตามมีตามได้เก้าสติทำการที่ได้ทำและคำที่ได้พูดแม้นานได้แ ม, แม้นั้นได้หมายถึงว่า จำการที่ได้ทำและคำที่ได้พูดแม้ว่ามันจะนานก็ยังจำได้ข้อดีสิบปัญญารอบรู้ในกองสังขารตามความเป็นจริงนะตามความเป็นจริงทั้งสิบข้อนี่แหละถือว่าทำที่ทำให้เป็นที่พึ่งนะให้เป็นที่พึ่งอันนี้เราก็มองเห็นชัดอยู่แล้วนะฉะนั้นก็ลองมาศึกษากันดูนะว่าคำว่าเพื่อนดีงาม น, นั้นตามที่มาในสิงคาโลวาลสูตรนะวาทสูตร ก็มีอยู่สี่จำพวกคือเพื่อนอุปการะนะเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกเพื่อนแนะนําประโยชน์เพื่อนมีความรักใคร่นี่เป็นลักษณะแห่งเพื่อนดีงามอ ท, าามตตอทอมี่เรียกว่ากัลยาณมิตรตาอคําว่าธรรมเป็นคํากลางกลาความดีก็เรียกว่าก็ความดีก็เป็นธรรมความชั่วก็เป็นธรรม อความไม่ดีไม่ชั่วก็เป็นธรรมดังมาลีว่ากุสลาธรรมมากุสลาธรรมมาอพยากระตาธรรมมาแต่ธรรมกามตาความเป็นผู้ไขในธรรมนี้ประสงค์เอาแต่ธรรมที่ดีเป็นคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นะฉะนั้นธรรมทั้งสิบข้อนี้เป็นที่พึ่งอยู่แล้วถ้ารวมกันเข้าย่อมเป็นที่พึ่งอันมั่นคงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ประกอบในคุณธรรมเหล่านี้ก็จัดเอาตัวรอดได้ นะกล่าวคือเป็นที่รักเป็นที่นับถือของคนทั่วไปที่เป็นผู้น้อยย่อมได้รับความอุปถัมภ์คำชูจากผู้ใหญนะ่ไม่เป็นที่อาภัพไร้ที่พึ่งนะสฉะนั้นก็จะได้บรรยายแต่ละข้อละข้อนะเพื่อให้เหมาะสมกับเวลาในข้อแรกที่บอกว่าศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยข้อนี้ก็แทบจะไม่ต้องพูดมากเนะพราะพูดคำมาเยอะแล้ว เกี่ยวกับเรื่องศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยอคําว่าศีล น, นี้แปลว่าปกติคือปกติกายปกติวาจาที่ว่าปกติกายปกติวาจาก็คือว่าคือไม่ให้ผิดอความเป็นมนุษย์ <c oughs> หมายความว่าเช่นว่ายังศีลห้าปาณาติบาตว่าคนเราทุกคนเกิดมานั้นไม่ได้ฆ่ากันอืน ข้อที่สองคนเราทุกคนเกิดมานั้นไม่ได้มีการรักกันคนเราทุกคนเกิดมาไม่ได้มีการผิดประเวณีคนเราทุกคนเกิดมาไม่ใช่ว่าจะต้องพูดจาที่โกหกหรือพูดปลดเหลวไหลอคนเราเกิดมานั้นไม่ใช่ว่าจะต้องเดืองสุราเมรัยแต่ว่าคนเราเกิดมานั้นต้องไม่ฆ่ากัน <ballet. S 2> <eraser. S 1> การไม่ฆ่ากันกับการฆ่ากันอันไหนมันเป็นปกติแน่นอนที่สุดการไม่ฆ่าต้องเป็นปกติ การรักกับการไม่ร <urry> <alia> ักอันยางไงเป็นปกติของคนเราการไม่รักเป็นปกติถ้าคนเราไปรักมันก็ผิดปกติคนเราไปฆ่าก็ผิดปกติฉะนั้นเราต้องไม่ฆ่าต้องไม่รักการไปพูดผิดประเวณีด้วยการฉุดฆาณาจารย์หรือโดยวิธีการต่างๆนี่มันก็ผิดปกติผิดปกติการพูดโกหกกันมันก็ผิดปกติการไม่พูดโกหกกันมันก็ถือว่ามีปกติหรือว่าการ ดื่มโซราไมไรัยมันก็ผิดปกติคนไม่ดื่มสุราเมรัยนั่นแหละคือคนปกติอข้อนี้ฉันใดฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงนึกไว้เสมอว่าการที่เรามีศีลก็คือรักษาความเป็นปกติของคนไว้ไม่ให้สูญเสียไปธรรมดาพระอาทิตย์ น, นงั้นขึ้นทางทิศตะวันออกก็ส่องแสงสว่างไปตกทางทิศตะวันตกถ้าเกิดว่าพระอาทิตย์เกิดไปขึ้นทางทิศตะวันตกแล้วก็ส่องแสงสว่างมาตกทางทิศตะวันออกอย่างนี้ถือว่าผิดปกติไหม ผิดปกติผิดแน่นอ น, นเพราะไม่มีที่ไหนละภาคที่จะขึ้นทางอ่าทิศตะ ว, วันตกน้าําตกมันก็ไหลาจากภูเขาลงมาถึนล่างถ้าเกิดน้ําตกมันไหล ย, ย้อนขึ้นไป น, นี้มันก็ผิดปกติธรรมดาคนเรานั้นก็กินอาหารกินข้าวแต่เกิดไม่กินทํามาไปกินใบไม้ใบหญ้าขึ้นมามันก็ผิดปกติมันผิดปกตินี่แหละฉะนั้นจึงบอกว่าคนมีสีก็คือคนที่รักษาความเป็นปกติของตนไว้ ไม่ให้วิกลวิการไม่ให้วิปริตผิดไปจากความเป็นมนุษย์ไม่ให้ผิดไปในทางกายแล้วก็ทางวาจานทางวาจาแล้วคนมีศีลนั้นก็แน่นอนที่สุดเป็นคนที่ถือว่าร่มเย็นนตัวเองก็ร่มเย็นกับตัวเองด้วยผู้อื่นก็ร่มเย็นด้วยเราไม่เบียดเบียนเขาเขาก็ไม่เบียดเบียนเราเราไม่รักของเขาเขาก็ไม่รักของเราเราไม่ตีของเราไม่ตีเขาเขาก็ไม่ตีเรา เราไม่ประหารเขาเขาก็ไม่ประหารเราเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ไม่ฆ่าเราอันนี้มันเป็นหลักความจริงฉะนั้นจึงบอกว่าเวรย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรแต่ว่าเวรย่อมสงบระ ง, งับด้วยการไม่จองเวร น, นี่อันนี้มันก็เป็นหลักอยู่แล้วฉะนั้นคนมีศีลนี่แหละจึงเป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นนะหนักด้วยแน่นด้วยถ้าใจหนักแน่นเราก็แน่นอนมันไม่ค่อยเคลื่อนไหวแม้ใครจะมาพูดจาว่ากล่าวกระโชโกโคกฆ่ายังได ตัวเองก็อยู่นิ่งได้อดทนได้ใครจะด่าจะว่าก็อดทนได้เพราะอะไรเพราะใจหนักเท้าหนักมือหนักปากหนักแต่ถ้าหากว่าคนไม่มีจิตใจหนักแน่นแน่นอนที่สุดใครมาพูดอะไรห้่พอใจมันก็โล้งออกไปเลยด่าออกไปเลยอมือถึงเลยเท้าถึงเลยนี่มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงบอกว่าคนมีศีนี่แหละจึงมีจิตใจหนักแน่นนะหนักแน่นฉะนั้นศีนี้ก็เป็น เหตุที่จะให้เราได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติอีกเหมือนกันนี่ก็พูดแต่เพียงย่อๆนะพูดแต่เพียงย่อๆเรื่องสี่นี้พูดกันมามากในข้อที่สองที่บอกว่าพระหูศักดิความเป็นผู้ได้สดับตรัพฟังมามากการเป็นผู้ได้สดับตรัพฟังมากในที่นี้ท่านหมายถึงว่าอ่าพวกพหูสูตรที่เราเรียกว่าเป็นพหูสูตรคนที่เป็นพหูสูตรก็หมายถึงว่าคนที่เรียนมาก <eld. S 2> คนที่เรียนมามากได้ฟังมามากได้ยินมามากได้ปฏิบัติมากเมื่อ <end. S 2> ได้เรียนมากได้ฟังมามากได้ยินมามากแน่นอนที่สุดก็ย่อมได้เปรียบคนอื่น <c ười> ได้เปรียบตรงไหนได้เปรียบตรงที่ว่ามีประสบะการณ์มากกว่า <c ười> มีประสบการณ์มากกว่าแล้นคนที่มีประสบการณ์มากนี่แหละก็เท่ากับว่าเขานั้นได้ผ่านงานมาแล้วทั้งดีทั้งชั่วเห็นดีเห็นชั่วมาฉะนั้นนี่แหละ ฉะนั้นคนที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมากจึงจะมักจะเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจให้ประกอบกิจการงานใหญ่ๆหรือว่าเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำของประเทศชาติหรือกรมกองกระทรวงต่างๆนะฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงเป็นผู้มันศึกษาเล่าเรียนขยันศึกษาเล่าเรียนนะย่าการเรียนนั้นไม่ใช่ว่าจะเรียนเฉพาะในตำราหรือว่าเรียนกับครูอย่างเดียวหรือต้องไปเรียนที่โรงเรียน บางครั้งเราก็เรียนโดยธรรมชาตินะโดยการสังเกตโดยการจดจําเราจะสังเกตได้ว่านักวิทยาศา que, สตร์บุคคลสาคัญของโลกนั้นเขาจะเ ป, นน เ, นะเป็นคนนักสังเกตเขาจะเป็นคนจดจำนะเป็นคนนักสังเกตเป็นคนจดจําำเครื่องบินจะสร้างกนได้เขาก็ไปสังเกตดูนกมันบินเนยมันบินยังไงปีกมันยังไงหางมันยังไงฮน ะ, ะแล้วเขาก็สร้างออกม า, านี่หรือ ว, ว่านักวิทยาศาสตร์ต่างๆก็รู้จักสังเกตว่าเอวดัน ทำไมเวลาฝนจะตกมันเกิดมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าขึ้นนะเขาก็เอามาตั้งเป็นข้อสังเกตแล้วก็พิสูจน์จนรู้ว่าในอากาศตัองมีไฟฟ้านะมีไฟฟ้าก็เลยเป็นประโยชน์กับทาให้พวกเรานี้าได้มาเพลิดเพลิน อ, อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะนะนะนี่แหละมีความเจริญก้าวหน้าทั้งในด้านเทคโนโลยนะีหรือว่าทางวิทยาศาสตร์นี่เองนะฉะนั้นนี่เลยบอกขอให้เราทุกคนนั้นเป็นผู้สดับจับฟังมากๆคนเราถ้าได้ฟังมากแล้วก็ ประโยชน์มันก็เกิดขึ้นมากเราได้รับมากแต่คนนรามันคอยคุยมากนะคุยมากพูดมากนะอันนี้มันก็เสียมากนะแต่ว่าถ้าเราได้ฟังมามากแล้ว อ, ออกมากไม่เป็นไรแต่ว่าเราฟังมาน้อยเอาออกมากนี่มันไม่สมดุลกันนะมันไม่สมดุลกัน ฉะนั้นปัญญาที่จะเกิดขึ้นนั้นมันก็เกิดขึ้นได้หลายทางสุตะมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังอินตมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการอบรมบ่มมีสัยจะเป็นการนั่งสมาธิหรือเจริญสมถะกรรมฐานและมีปรัชนากรรมฐานก็ดีอันนี้เราถือว่าเป็นพาวุจจะทางนั้นเลยเป็นมอกเกิดแห่งสติปัญญาทางนั้นนขอให้เราทุกคนตรงเป็นผู้สนใจเกี่ยวกับเรื่องการฟังการเรียนศึกษา ประหยัดปฏิบัติและปฏิเวทนะประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับเรานิดใช่น้อยมาในข้อที่สามที่บอกว่ากัลยาณมิตรตาความเป็นผู้มีเพื่อนดีงามนะข้อนี้สําคัญการที่เรามีเพื่อนดีนะั้นมีค่ามีมีค่ายิ่งกว่าเรามีทรัพย์เป็นแสนเป็นล้านนะไอ้ทรัพย์เป็นแสนเป็นล้านน่ะมันช่วยป้องกันอะไรเราไม่ได้นะดีไม่ดีเราอาจจะต้องตายด้วยสซ้ำไป แต่ว่าเราถ้ามีเพื่อนที่ดีนั้นแน่นอนที่สุดเพื่อนดีเป็นคนเดียวในช่วยปกป้องได้ทําให้ทรัพย์เกิดมาเป็นสิบล้านยี่สิบล้านเป็นร้อยล้านก็ได้นะฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงคบเพื่อนกันที่ดีการคบคนนั้นต้องเลือกดูต้องเลือกดูฉะนั้นนับศาสต์ท่านถึงว่าไว้ว่าเพื่อนจะดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดฤิษยา เหมือนมีเกลือนิดหน่อยน้อยราคายังดีกว่ามีน้ำเค็มเต็มทะเลนี่เห็นไหมคือเรามีเกลืออยู่นิดหน่อยเนี่ยเวลาเราต้องการอะไรมันก็ได้สมประสงค์เอามาใส่แกงใส่ต้มนะเอามาทิ้มอะไรก็ได้แต่น้ำทะเละมันเอาอะไรมาใส่มาใช้อะไรไม่ได้นะใช้ไม่ได้หรือว่าจะเอามาใช้มันก็ต้องผ่านขั้นตอนอีกมากมายอมันสู้กับที่เรามีอยู่ในครัวหรื อ, อในบ้านของเราไม่ได้เนีฉะนั้นนี่แหละจึงบอกว่า การคบกันนั้นถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะเป็นสิ่งสําคัญคนจะดีบางทีก็เพราะเพื่อนช่วยตักเตือนเงื่อนงำตามวิสัยแต่บางทีเพื่อนนี้ก็เป็นภยัยเป็นปัจจัยให้เราต้องเผาเรือนนี่วันนี้สาคัญและพระพุทธองค์ท่านก็ได้จัดไว้ในมงคลสูตรว่าอาเสวนาจะพาลานังปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังการไม่คบคนผ่านนะ การไม่คบคนผานคบบรรดิตบูชาบุคคลที่ควรบูชานั่นแหละเป็นมงคลอันสูงสุดนั่นแหละเป็นมงคลอันเร็นสรินสุดนั่นแหละเป็นมงคลอย่างยอดเยี่ยมที่สุดฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าเราครบคนผานผานก็พาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตก็พาไปหาผล ค, คบคนดีก็เป็นปีแก่ตน้นคบคนชั่วก็พาตัวอัปปราชัยนะฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงคบกัน ในทางที่ดีแล้วก็พยายามเลือกคบคนดีเพราะคนเรานั้นมันก็เหมือนผลไม้ก็ย่อมจะมีลูกดีลูกเสียนะฉะนั้นถ้าเรากินไอ้ลูกเสียไปมันก็เกิดโทษแก่ตัวเราเกิดโรคแก่ตัวเราอาจจะตายก็ได้ฉะนั้นในฐานะที่เราก็ปรารถนาอยากจะกินลูกดีก็เลือกเฟ้นดูให้มันรอบครอบอเราทุกคนอยากมีเพื่อนดีก็จงเลือกคบเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ดีย่อมชักนําในสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์ และในยามที่เราตกทุกข์ได้ยากเพื่อนดีๆก็แก้ไขได้นะเอาชีวิตเข้าแลกได้แต่ถ้าเราคบเพื่อนชั่วคอยเอาเปรียบกันเพื่อนชั่วมักจะลงทุนน้อยแต่ว่าเอาประโยชน์มาถึงยามมีทุกข์ขับขันก็มักจะเปรีกตัวเองหนีนะเวลาจะลงทุนอะไรก็ลงทุนน้อยแต่ว่าหวังประโยชน์มากอย่างนี้ใช้ไม่ได้เพราะเพื่อนชั่วนี้แนะนําในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แนะนําในสิ่งที่ไม่เป็นธุระเพื่อนที่ชั่วนั้นเวลาพูดก็พูดชั่วเวลาทําก็ทําชั่วเวลาคิดก็คิดชั่ว เนดีๆนั้นเวลาพูดก็พูดดีเวลาทําก็ทําดีเวลาคิดก็คิดดีเพราะนั้นขอให้เราทุกคนจงคบแต่คนดีแล้วเราจะมีแต่โชคมีแต่ชัยเนีมีแต่โชคมีแต่ชัยก็พยายามคบคนที่มีความรู้มีสติปัญญานะเราก็จะพลอยดีไปด้วยนะคบคนดีก็เหมือนกับบาราอ่างก็เหมือนกับใบไม้ที่หออ่อหอของหอมใบไม้ก็พลอยกลิ่นหอมไปด้วย มีกลิ่นหอมไปด้วยถึงแม้ว่าใบาไม้นั้นจะไม่ใช่เป็นอ่ดอกไม้แต่ก็มีกลิ่นจากการที่ได้ไปสัมผัสหรือไปห่อคุ้มของหอมไว้การครบคนชั่วก็เหมือนกับใบไม้ที่ห่อป ร, ราแม้ใบไม้มันจะไม่ใช่ปา ร, ราแต่มันก็มีกลิ่นเหม็น ค, ะคระกลุ้มไปด้วยขอให้เราทุกคนจงคบแต่คนดีนะประการที่สามประการที่สี่ โสวจัจัสตาความเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายข้อนี้ก็สําคัญโสวจัจจสตาเอตมังขามุตตังมังคม า, มงามเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายเ ป, นนนะเป็นมงคลนันสะูงสุดนะเป็นมงคลนะเรียกว่าอ่อนน้อมทํากายจิตใจสุภาพซึมซาบใจชนทุกคนสรรเสริญกระด้างถือดี ม, มิมีจำเริญ น, น่ารักเหลือเกินอ่อนน้อมถ่อมตนนี่ให้เราทุกคนเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายอ่อนน้อมถ่อมตน คนอย่างนี้และเท่ากับว่าอ่าคนที่ว่านอนสอนง่ายก็คือเป็นคนที่ได้ขุมทรัพย์ได้บอกเงินได้บ่อทองอย่างราภพราม์นี่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้อว่านอนสอนง่ายนะเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายไม่ว่าตัวเองนั้นจะมีอายุมากกว่าผู้น้อยหรือใครตัดเตือนในสิ่งที่เป็นธรรมในไหนก็ยินดีน้อมรับเอามาใส่ใจมาประทุษปฏิบัตินี่ฉะนั้นคนเราทุกคนเหมือนกัน ถ้าว่าเป็นผู้ว่า น, นอนสอนง่ายนะพิจารณาด้วยเหตุผลแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติตามสังคมของเราก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเราเรามาดูทุกวันนี้แม้แต่ลูกกับพ่อกับแม่มันก็ว่านอนสอนยากนะพ่อแม่เยก็จะเป็นโรคศระตรอนะลูกเสียงคําไม่รู้จบปากนะนะเสียงคําไม่จบปากลกจะชดพ่อแม่อนะบางครั้งลูกัวนี้ขู่พ่อแม่ด่าพ่อแม่ต่อหน้าทารกกำนัลนะนะอันนี้แหละจึงบอกว่า ลูกว่านอนสอนอยายพ่อแม่ก็ลําบากใจถ้าลูกว่านอนสอนง่ายพ่อแม่ก็สุขใจนะเป็นนักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชน ท, ทั้งหลายขอให้เราทุกคนมาเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายในการว่านอนสอนง่ายนี้หมายความว่าสิ่งที่เขาตัเตือนเรานั้นเราต้องเชื่อฟังเราต้องรับฟังแล้วก็เอาไปพิจารณาเป็นประโยชน์นะถ้าเราจะพูดก็พูดไปเหตุด้วยผลไม่ใช่ว่าจัดจัดจดเถียงไปตลอดเวลาอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้ เราเป็นผู้น้อยต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนะอ่อนน้อมถ่อมตนการที่ทําตัวเป็นแข็งกระด้างนั่นน่ะแน่นอนที่สุดไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมกลายเป็นคนอวดดีว่ายากสอนยากคนว่ายากสอนยากก็มีแต่ทุกข์มีแต่โทษคนว่ายากสอนยากมีแต่ความเดือดร้อนคนว่ายากสอนยากไม่มีใครอยากสมาคมคนว่ายากสอนยากแน่นอนที่สุดมักจะมีปัญหายุ่งมาต่อการดาเนินชีวิตเป็นอันเนกประการและเมื่อถึง ตัวเองต้องแตกตายทำลายขันไปก็ย่อมเข้าถึงทุกขตินะไปถึงทุกขติฉะนั้นขอให้เราทุกคนมาเป็นคนว่านอนสอนง่ายกันเถิดคนที่เขาบอกเรานั้นก็เท่าว่าเขาชี้กลุมทรัพย์ให้เราเราควรจะปลื้มใจเราควรจะภูมิใจนี่แหละเป็นข้อที่สี่ข้อที่ห้าก็คือกิงกรณีเยสุทกตาความขยันเอาใจใส่ในกิจมาธุระของเพื่อนพิสุสัมมเนนในข้อนี้ก็มีความหมายสองอย่าง กิจธุระในหน้าที่ของตนและในเพื่อนพิสูจสมณเณของเราหรือเราจะพูดในเพื่อนของเราที่เป็นกัหัดก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องพิสูจสมณเณรหรอนะของกัลหัดก็ได้การเอาใจใส่ในกิจธุระก็คือว่าเรามีหน้าที่อย่างไรนก็ทําหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์หน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่หน้าที่ของความเป็นสามีเป็นภรรยาหน้าที่ของความเป็นลูกหน้าที่ของความเป็นครูบาอาจารย์หน้าที่ของความเป็นนักเรียนหน้าที่ของความเป็นสมณะ หน้าที่ของความเป็นอุบาสกอุบาสิกานี่แหละถ้าหากว่าเราทุกคนนั้นทําตามหน้าที่เอาใจใส่ในกิจตุระของตนเราก็จะพ้นจากปัญหาเราก็จะพ้นจากทุกข์เราจะมีแต่ความสุขเราจะมีแต่ความเจริญเราจะไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจไม่ต้องลินนทุไม่ต้องลิ น, น, ทงล น, ทนทุรลมทุรไลนะใครประสบพบเห็นก็เกิดศรัทธาความเชื่อภาษาทรรมความเลื่อมใสวิริยะความภาคเพียรในการที่จะประกอบกิจการคุณงามความดีต่างๆ ฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงสนใจใส่ใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีเพื่อนพิสุสามเณีนี้อีกเหมือนกันเราจะต้องปรารถนาดีต่อกันเพราะเรานั้นเหมือนกับไม่มีพ่อไม่มีแม่เรามากันอยู่ทั่วทุกสารทิศนาะทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกตะวันออกนะภาคหลังเรามารวมกันอยู่ร้อยพ่อพันแม่ฉะนั้นเราจะต้องรักกันนะถ้าเราไม่รักกันแล้วใครเขาจะมารักเรา ถ้าเรามาตีกันมาทะเลาะเบาะแวงกันให้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันแน่นอนที่สุดก็จะทําให้คนอื่นนั้นเขาโจมตีเราได้และยิ่งฝ่ายตรงข้ามเขาก็มองเห็นช่องที่จะทําลายเรานะที่จะว่าเราเอาไปเป็นข้ออ้างในการเผยแพร่ศาสนาของเขาได้ฉะนั้นขอให้เราทุกคนต้องอยู่กันด้วยอย่างเมตตานอยู่กันด้วยอย่างเมตตาเอาใจใส่ในกิจการของเรานะเหมือนอย่างที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในอภิหานิยธรรมว่า เข้าไปตั้งกายกรรมวจีกรรมโมกขกรรมในเพื่อนพิสุสามเณรทั้งต่อหน้าและรับหลังนะหรือที่บอกว่าในปริหารธรรมว่านั่นนาที่ว่าเมื่อกี้ไปนั้ำเป็นสารานี่ระทำในอภัยหานียธรรมบอกว่าเมื่อถึงเมื่อมีกิจที่เราจะประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อมีกิจที่เลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิก เมื่อมีกิจที่คณะสมควรทำเราก็พร้อมเพียงกันทำที่สุทั้งหลายจะไม่มีความเสื่อมเลยจะมีแต่ความเจริญอย่างเดียวฉะนั้นขอให้เราช่วยในกิจธุระกันมาเอาใจใส่กันใครมีอะไรก็ช่วยเหลือกันยิ่งในยามเจ็บ ป, ปวดป่วยไข้เราจะต้องช่วยดูแลาพาไปหาหมอพาไปโรงพยาบาลตื อ, อยูกือยาให้ดูอาหารให้ปฐมพยาบาลตามฐานะตามโอกาสอันสมควร เราอย่าปล่อยทิ้งกันการปล่อยทิ้งกันนั้นแน่นอนที่สุดคนที่เจ็บป่วยก็เหมือนกับคนที่นอนรอความตายถ้าหาว่าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดมาช่วยเหลือแน่นอนที่สุดเขาก็รู้ว่าเขานั้นตายแล้วจะใครจะมาช่วยเหลือถ้าเราไม่ช่วยเหลือแล้วใครเพราะาพระวิสูสะมุเณรไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็มีพวกเรากันเองดังนั้นทําหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกของกันเลยกันฉะนั้นเราจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันข้อนี้สําคัญ เราทําอย่างนี้ได้แน่นอนที่สุดศาสตร์นาของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองนะไม่มีความเสื่อมเลยมาในข้อที่หกธรรมกามตาความใค่ในธรรมที่ชอบนะข้อนี้สําคัญธรรมการโมภวังโหติธรรมเทศสีพ ร, ราพโกผู้สนใจธรรมผู้ใค่ในธรรมเป็นผู้เจริญผู้ไม่สนใจธรรมผู้เกิดธรรมคนนั้นก็เสื่อมอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยว่า คนถ้าดําเนินชีวิตโดยทำผู้นั้นจะมีแต่ความสุขแต่คนถ้าหากว่าดําเนินชีวิตโดยขาดทำแล้วผู้นั้นก็จะมีแต่ความทุกข์มากท่านั้นเรื่องธรรมะกับชีวิตเป็นของคู่กันแยกกันไม่ออกเราจะต้องดําเนินไปคู่คู่กันร่างกายนั้นต้องอาศัยอาหาราจึงจะดํารงชีวิตอยู่ได้สัปเพสัตาอาหารรติกาสิ่งมีชีวิตดํำรงอยู่ได้ด้วยอาหารอเราเหมือนกันก็ขาดอาหารก็ตายฉะนั้นร่างกายของเราต้องการอาหาร จิตใจของเราก็ต้องการอาหารเหมือนกันอาหารของจิตใจก็คือทำมะนั่นเองฉะนั้นทำมะคือคุณงามความดีนี่แหละขอให้เรานำเอาไปไว้ในจิตในใจก็จะทําให้เรานั้นมีความสุขมีแต่ความเจริญสิ่งใดที่เราไม่ชอบใจความโลภความโกรธความหลงเราควรชะละออกไปจึงอยู่ความโลภเราทุกคนมีความโลภแต่เราต้องพยายามละออกไปเพราะความโลภถ้ามันเกินไปมันก็เบียดเบียนใจเราให้เกิดความไฝ่ฝันให้เกิดตัณหาเกิดความอยากได้บิ้นทุรนทุรายไม่มีรู้จัก มาจบสิ้นฉะนั้นเราจะต้องไข่ ใ, ในทางที่ดีก็คือไข่ในธรรมในฝ่ายที่เป็นกุศลนะแล้วก็ละในสิ่งที่เป็นอกุศลเสียนะเมื่อเราพอใจในธรรมอย่างนี้แน่นอนที่สุดตั้งแต่ยืนเดินนั่งนอนนะเราก็มีสติคอยสำรวมระวังนะด้วยอิริยาบทเีหรือในขณะที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกลมขิบเล้นเล็มรสดายถูกต้องสัมผัสใจนะคิดแหน ม, มต่างต่างก็ให้เรามีสติสารวมระวัง บุญกุศลก็จะเกิดขึ้นแก่เราอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่มีความทุกข์เลยจะมีแต่ความสุขอย่างเดียวก็ที่เจ็ดวิทยะให้เราเพียรเพื่อจะละความชั่วนะประพฤติความดีนะคำว่าเพียรเพื่อจะละความชั่วประพฤตความดีก็อยู่ในหลักของประทานสี่คือหนึ่งสังวรประธานเพียรระวังละบาปอย่าให้เกิดขึ้นในจิตใจนะเพียรระวังอย่าให้บาปเกิดขึ้นในจิตใจสิ่งใดที่มันเป็นบาปเป็นความชั่ว เป็นอกุศลมีความโลภความโกรธความหลงตัณหามานะทิฏฐิความเกียดค้านทิงเหล่านี้เราควรจะละมันออกไปแล้วเราก็ป่าหานัปทานก็คือเพียรละบาป ท, ที่เกิดขึ้นแล้วใน จ, จิตใจความชั่วอะไรที่มีอยู่ในใจของเราตัวของเรารู้ดีว่าเรามีนิสัยเป็นอย่างไรนี่มีนิสัยเป็นอย่างไรเป็นคนราคะจริตโทสะจริตโมหจจจโะจริตตถาจริตวิตกวจริตหรือพุท ธ, ธจริตอะไรนี่ มันมีอยู่แล้วอิสัยของคนเราฉะนั้นเมื่อมีอยังไรเราก็ค่อยละมันออกไปค่อยวางออกไปเราก็จะมีแต่ความสบายกายสบายใจประการที่สามก็ภาวนาประทานเพียรสร้างบุญกุญสมให้เกิดขึ้นมีการให้ทานนักษาศีลหรือว่าเป็นคนขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนเป็นคนกระตันยู อ, อย่างนี้เท่ากับว่าเราเพียรสร้างบุญบุญสมให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราในสันานของเราประการที่สี่อนุรักษณนาประทานเพียร ตามรักษาบุญกุศลที่เราได้สร้างที่เกิดขึ้นในจิตใจนั้นอย่าให้เสื่อมไปอย่าให้หมดไปก็คือเราต้องหมั่นทำบ่อยๆกุณงามความดีถ้าเราทำบ่อยๆติดต่อกันแล้วมันก็เป็นประโยชน์เกือ้อกูลแก่เรามากทั้งในปัจจุบันและในอนาคตการข้อที่แต่ที่บอกว่าสันโดษยินดีด้วยผ้านุ่งผ้าหม่มอาหารที่นอนที่นั่งที่ตามมีตามได้ข้อนี้สาคัญคาว่าสันโดนี้เป็น ธรรมะข้อหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาเจ้าทรงรุตย่องว่าสันโดษติประมังทนังว่าความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยอดเยี่ยมแต่ว่ามีบางคนที่เอาไปโจมตีว่าเพราะพระพุทธศาสนาสอนให้คนสันโดษสอนให้ก็คือสอนให้คนงอมืองอเท้าพวกชาวบ้านทาวเมืองจึงเกิดความยากจนกันมีอะไรก็อย่างนั้นทำให้คนไม่ทะเยอทยานทาให้คนไม่กระตือรือร้นในการประกอบสัมมาชีพ จริงๆแล้วนั่นเป็นความเข้าใจผิดอเป็นความเข้าใจผิดคนที่มีความสันโดษเรามักจะพูดว่าเป็นคนมักน้อยนะมักน้อยสันโดษน่ะไอ้คนมีเมียน้อยกับคนมีเมียมากอันไหนดีกว่าแน่นอนที่สุดเราไม่มีคนเดียวก็ดีกว่ามีเมียหลายคนเนี่ยฉะนั้นเราต้องมักน้อยสันโดษน่ะไอ้คนสูบบุหรี่น้อยกับคนสูบบุหรี่มากอัไหนดีกว่าไอ้คนสูบน้อยมันก็ดีกว่ายิ่งไม่สูบเลยก็ยิ่งดีกว่าอ่ะไอ้คนใช้เงินมากกับคนใช้เงินน้อยไหนดีกว่าน่ะ อันนี้เราพิจารณาเห็นจัดชัดเลยว่าเรามักน้อยสันโดษนั่นแหละดีนะมักน้อยสันโดษนั่นแหละดีแต่ว่าท่านอาจจะมาเป็นข้ออ้างได้ว่านั้นเราก็ขยันดูหนังสือน้อยๆนะเราก็กินน้อยๆอันนี้เราก็เอาแต่พอควรเดินทางสายกลางนะเดินทางสายกลางไอ้สิ่งใดที่มันดีนั้นเราจะต้องทําให้มากนะไอ้สิ่งความชั่วนั้นเราต้องทําน้อยๆหรือไม่ทําได้ก็ดีเพราะว่าทําแล้วมันเกิดทุกเกิดความเดือดร้อนนะเกิดทุกเกิดความเดือดร้อน ขะขอให้เราทุกคนตั้งหน้าตั้งตาทําแต่คุณงามความดีสันโดษก็คือยินดีตามที่ตนมีตนได้แล้วก็ยินดีตามกําลังของตนนะกําลังกายกําลังใจนะกิจการงานบางอย่างนะมันเหมาะพอเหมาะแก่กําลังของเราบางครั้งคนเรานะั้นมีกําลังไม่เท่ากันบางคนอาจจะยกของหยิบของอะไรได้มากแต่ว่าเราได้น้อยก็อย่าไปน้อยเนื้อต่าใจเพราะกาลังของเรามีแค่นั้น สติปัญญาของคนเราก็ไม่เท่ากันบางคนก็มีสติปัญญามากบางคนก็มีสติปัญญาน้อยทั้งๆ ท, ท, ที่เรียนจบชั้นเดียวกันจบมาหาวิทยาลัยเดียวกันนะแต่ว่ามีความคิดอ่านไม่เหมือนกันอันนี้เราก็ต้องพอใจอย่าไปน้อยเนื้อต่ําใจนะบางคนก็สอบไม่ได้ถึงกับกินยาตายค่าตัวตายนี่เพราะอะไรนี่ก็เพราะว่าไม่รู้จักหลักธรรมตางความเป็นจริงในการสอบนั้นมันก็ต้องมีได้มีตกนะถ้าไม่มีได้มีตกมันก็ไม่ชี้ว่าเป็นการสอบอันนี้มันก็เรื่องธรรมดา เรื่องธรรมดาไม่ใช่ว่าเขาสอบได้เราก็ต้องได้ใจจริงแล้วก็อยากได้ด้วยกันทุกคนเนี่ยแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะคนเรามันก็มีดีกับชั่วคนกันไปนะมีเย็นก็ต้องมีร้อนมีอ่อนก็ต้องมีแข็งนะมีแรงก็ต้องมีวันหมดแรงบ้างอันนี้มันก็เป็นธรรมดาและก็ให้เรายินดีตามสมควรนะของบางอย่างเราได้มาเยอะแล้วเราก็ยินดีแต่ที่มันสมควรแก่เราอะไรที่มันไม่สมควรแก่เราเราก็คืนไปหรือว่าให้ผู้อื่นเขาไปเฉลี่ยความสุขให้คนอื่นเขาไป อยเก็บเอาไว้ทั้งที่กินไม่ได้ใช้ไม่ได้เก็บเอาไว้มันก็ไม่เกิดประโยชน์นะไม่เกิดประโยชน์ขอให้เราเป็นคนเสียสละออกไปแต่ข้อที่เก้าก็คือสติจําการที่เราได้ทําหรือคําที่เราพูดแม้นานก็ได้อันนี้แสดงว่าเราจะต้องมีสติดีพระพุทธองค์จึงบอกว่าสติโลกัสมิ ช, ชาคารโสติเป็นธรรมเช่นตื่นอยู่ในโลกนะบอกว่าสติ สทาสติพัฒนทางาสติควรเจริญอยู่ทุกเมื่อนะควรเจริญอยู่ทุกเมื่อเพราะการเจริญสมาสติสตินั้นทำให้เรานั้นไม่ประมาทคนไม่ประมาทก็คือคนที่มีสติคนมีสติก็คือคนไม่ประมาทคนประมาทก็คือคนที่ขาดสติฉะนั้นคนที่ขาดสติก็เหมือนกับคนม่ขอให้เราทุกคนจงเป็นคนมีสตินะเมื่อมีสติแล้วแน่นอนที่สุดนั้นก็จะทาให้มีสตังเนะมื่อมีสตังเราก็สบายกายสบายใจ ข้อที่สิบก็คือปัญญารอบรู้ในกองสังขารตามความเป็นจริงให้รู้ว่ า, าให้รู้ว่ า, าสังขาร น, นั้นมันเป็นทุกข์เมื่อเรารู้ว่าสังขารเป็นทุกข์เราก็ต้องรู้จักลรู้จักวางขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราก็จะมีความจุขอยากไปยึดมันว่าสังขาร น, นี้ไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์ททั้งตวงไม่มีตัวไม่มี ต, มมตนอ่าไม่มีอะไรเป็นสาระที่เราจะมาเอาเป็นที่พึ่งที่ระลึกได้เมื่อเรารู้อย่างนี้ เราก็ละวางเสียบ้างนะแล้วก็ใช้สังขารที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันนั้นประกอบคุณงามความดีให้มากเท่าที่จะทำได้ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลเอาละได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องนาักรณธรรมทาที่ทําเป็นที่พึ่งสิบประการมาก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอจเจริญพร